นี่ต่อไปนะครับบอกว่าเทวดาที่มีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับ 1. สมมุติเทพอย่างที่สองอุปติเทพสก็วิสุทธิเทพนะครับในเทวดาสามจำพวกเหล่านั้นนะครับกษัตริย์ผู้เป็นพระราชาทั้งหลายชื่อว่าสมมุติเทพนะครับเทวดาเออกษัตริย์พระราชาเนี่ยนะเรียกเทวดาโดยสมมุตินะครับเทวดาผู้สูงกว่านั้นเริ่มตั้งแต่เทวดาชั้นตาตุ ม, มหาราชิกาเป็นต้นชื่อว่าอุปติเทพนะครับ พรขีณาศพชื่อว่าวิสุทธิเทพนะครับแต่ในพระสู่ท่านประสงค์เอาเทพชั้นกามาวจรคือเอาเทวดาทั้งหลายนั่นเองนะครับจ ร, จริงจริงแล้วเทวดาทุ ก, ทกองไหมที่จะได้มีนิมิตรปรากฏเนี่ยพราะอย่างเราเราฟังเรื่องอะไระที่ทบริวารของเท พ, พบุตรองคหนึ่ง อ, อยูๆ่ๆก็จุติกันตั้ง500อยคนงมาลาภาลีมาลาพาลีเทพบุตรสุพรหมเทพบุตรเป็นต้นนะครับ สุมเฉ พ, นะพาะผู้มีบุญนะครับเฉพาะเทวดาที่มีบุญจริงๆนะครับจึงจะมีนิมิตเหล่านี้เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่นะนะบทว่าเทวกายาความว่าจากชุมนุมแห่งเทพหรือจากตําแหน่งแห่งเทพนะครับอธิบายว่าจากเทวโลกเพราะว่ากายสัพท์นี้บ่งถึงการอยู่ด้วยกันเป็นหมูบทว่าจวณธรรมโมความว่ามีความตายเป็นธรรมดาที่บายว่ามีมรณะปรากฏแลว้ว เพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญนะครับเทวดาผู้มีบุญหนักหนักจริงๆนะจะมีนิมิตเหล่านี้บทว่าปัจจส ะ, ะปัญจัสัปุพาณิมิตตานิปาตุภวันติความว่าบุพานิมิตแห่งความตายห้าประการย่อมเกิดขึ้นหรือปรากฏแก่เทพนั้นผู้มีมรณะปรากฏแล้วบทว่ามาลามิลายันติความว่าดอกไม้ที่เท พ, พบุตรนั้นประดับแล้วจะเหี่ยว คือหมดความงดงามเหมือนโยนไปในที่แดดในเวลาเที่ยงนะครับเช่นดอก ง, งามๆไปตากแดดเนี่ยมันก็เหี่ยวเช้าดูไม่งามเลยนะหมดราศีเลยบทว่าวัฏฐานิกิริศสันติความว่าอาภรคือผ้าที่เทพบุตรนั้นนุ่งห่มแล้วมีสีเหมือนพระอาทิตย์อ่อนๆที่ทอแสงอยู่ในอากาศที่ปราศจากเมฆหมอกในสารทสมัย มีสีต่างๆจางลงไม่แวววาวเศร้ามองเหมือนถูกโยนไปในโคลนแล้วขยำในขณนะนั้นทีเดียวนะครับผ้านี่เศร้ามองไปหมดเลยนะปกติเหมือนรัศมีดวงอาทิตย์อ่อนๆนะนะแต่นี่มันก็หมดไปกลายเป็นผ้าเหี่ยวเฉาเหมือนกับผ้าคลุกโคลนบทว่ากัดเชหิเสทามุ จ, จนติความว่าในขณะนั้นหยาดเหงือ่อ หลังไหลออกจากรักแร้ทั้งสองของเทพบุตรผู้มีร่างปราศจากคราบเหงือใครมาก่อนเหมือนแก้วมันีโดยกําเนิดที่บริสุทธิ์ีเหมือนรูปหล่อทองคําที่ศิลปินผู้เชี่ยวชาญตกแต่งไว้แล้วก็ไม่ใช่จะไล่ออกจากรักแร้อย่างเดียวเท่านั้นแม้แต่เงือกาละคือเงือดอําะำนะก็จะไลออกจากร่างกายทั้งสิ้นของเทพบุตรนั้น โดยที่กายของเทพประดุนั้นเสมือนหนักอึ้งไปด้วยข่ายที่ประดับประดาล้ลวนไปด้วยข่ายแห่งมุกดาที่ตนประดับแล้วนะครับโอมันหนักจริงๆนะเนะบทว่ากายเยทุพพันนี้ยังโอ ก, กรมติความว่าในชั้นต้นเริ่มแต่ปฏิสนธิร่างกายจะแผ่รสมีพวยพุ่งไปตลอดสถานที่หนึ่งโยตบ้างสองโยตบ้างจนถึงที่ประมาณสิบสองโยตบ้างตามอนุภาพของตน ปราศจากชราภาพมีฟันหักและหนังย่นเป็นต้นความหนาวความร้อนจะไม่เข้าไปกระทบกระทั่งจะเป็นเหมือนเทพธิดารุ่นสาวอายุราวสิหกปีจะเหมือนเทพบุตรรุ่นหนุ่มอายุราวยี่สิบปีแต่ในขณะนั้นเองความผิดรูปผิดร่างขี้เรจะเข้ามาแทนที่คือสถิตยอยู่ในกายที่สิ้นรัศมีหมดเด็ดนะครับหมดสภาพเลยนะครับ น, นะเมื่อบุญมากาไก่กลายเป็นหงนะครับ เมื่อบุญลงหงก็จะเป็นหมาเลยนะครับนี่ก็เหมือนกันบทว่าสเทโวเทวาเสเนนาพิรมติความว่าจะไม่ยินดีคือจะไม่ได้ความชื่นใจในที่พระอ า, นาสนะสําหรับเล่นและบําเรอด้วยกับหมู่สาวสวรรค์ของตนนะครับเห็นนางฟ้าเห็นเทพธิดาก็ไม่น่า ง, งามน่าชมหมดอะ่ะเอาคนมันจะตายเนี่ยนะครับมันจะไปดีใจอะไรกับใครด้วยนะครับก็ทุกข์เร่าร้อน เขาบอกว่าได้ยินว่าความตายนี้จะมีแก่เทพบุตรนั้นโดยเจวันด้วยการนับในมนุษย์นะก็คือไม่กี่ชั่วโมงของเทวดาหรือไม่กี่นาทีนะครับเพราะฉะนั้นบุพนิมิตเหล่านี้จึงปรากฏด้วยการเกิดขึ้นแห่งบุพนิมิตนั้นเทพบุตรนั้นย่อมถูกความโศกที่มีกําลังครอบงําด้วยคิดว่าเราต้องพลัดพรากจากสมบัติเห็นปานี้นะครับจากกระว่าจากสมบัติจากวิมานจากนางสาวสวรรค์ทั้งหลายแหล่นี่เอยจากแล้วนาะเหมอนกันเห นะจากสาวสวรรค์งาเนด้วยเหตุนั้นความกวลกวายอย่างใหญ่หลวงย่อมเกิดขึ้นภายในกายของเทพบุตรนั้นด้วยเหตุนั้นเหงื่อจึงไหลออกจากลำตัวโดยประการทั้งปวงเทพบุตรบางองค์ที่มีทุกข์หาประมาณไม่ได้ตลอดการเนิ่นนานมาไม่สามารถจะยับยั้งทุกข์ไว้ได้คร่ำครวญปริเทวนาการอยู่ว่าเราร้อนอนะเราร้อนเรากลุ่มนะครับโอ้ยกลุ่มนะ ไม่ได้ความเช่มชื่นในที่รายร่พร่ำเพรอะละเมอเที่ยวไปในที่นั้นๆบางองค์ตั้งสติได้แม้ไม่ได้แสดงความผิดปกติทางกายและวาจาเมื่ออุดกลั้นทุกข์คือความพลัดพรากจากของรักไม่ได้ก็เดือดร้อนเที่ยวไปนะครับเราร้อนกระวนกระวายเนี่ยนะต้องจากแล้วนาอนะครับนะต้องไปคล้ายๆกับว่าจะต้องไปจับมือใครหรือเปล่านะครับต้องไปจับมือเขย่าคนโน้นทีเขย่าคนนี้ทีฉันจะจากเธอแล้วนะอย่างนี้หรือเปล่านะครับ ก็บุพนิมิตเหล่านั้นย่อมปรากฏเฉพาะเทวดาผู้มเหศสัก์ทั้งหลายเท่านั้นนะครับเทวดามีบุญนะเหมือนนิมิตทั้งหลายมีอุกบาทแผ่นดินไหวและจันทราคาดเป็นต้นจะปรากฏแก่ผู้มีบุญใหญ่ในโลกเช่นพระราชาและราชามาตเป็นต้นหาปรากฏแก่คนเราอื่นไหมนะครับอย่างเหตุการณ์สาคัญสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับก็เทวดาบางเหล่ารู้นิมิตเหล่านั้นที่เกิดแล้วว่านิมิตเหล่านี้ชื่อว่าเป็นบุพนิมิตแห่งความตาย แต่ว่าไม่ใช่จะรู้หมดทุกอง น, นะในเทพบุตรเหล่านั้นเทพบุตรที่เกิดด้วยกุศลกรรมอย่างอ่อนก็จะกลัวไปว่าบัดนี้ใครเล่าจะรู้ว่าเราจะเกิดในที่ไหนนะพวกทําบุญไวน้น้อยๆก็ไปทุกที่นั่นอีกนะครับเหมือนมนุษย์ทั้งหลายไม่ค่อยทําบุญไว้นะโอ้จากตนี้จะไปไหนต่อน้อเหมือนกัน ส่วนพวกที่มีบุญมากจะไม่กลัวจะไม่หวาดหวั่น้วยคิดว่าเราได้ให้ทานได้รักษาศีลได้สั่งสมบุญไว้มากแล้วเราจุติจากโลกนี้แล้วเป็นอันหวังได้สุขคติทีเดียวนะครับพบหน้าไปดีแน่เหมงอนกันก็เทวดาทั้งหลายครั้นถือบุพนิมิตที่ปรากฏขึ้นอย่างนั้นแล้วย่อมเข้าไปสู่สวนนันทวันสวนนันทวันนั้นมีประจําอยู่ในเทวโลวกทุกชั้นทีเดียว นันทวันนี่ก็คือป่าอันเป็นที่น่าเพลิดเพลินเรื่นเริงใจทั้งหลายนะครับทีนี้ก็เทวดาก็จะช่วยกันแห่ไปส่งในสวนนันทวันมงงั่งกนนะบทว่าตีหิวาจาหิอะนุโมทันติความว่าเทวดาทั้งหลายย่อมอนุโมธนา ด้วยคําทั้งสามที่ข้าพเจ้าจะกล่าวในบัตรนี้คือย่อมยังความรื่นเริงบันเทิงใจให้เกิดขึ้นย่อมให้สบายใจย่อมกระทําความบันเทิงอันสมควรแก่สภาพการในขณะนั้นด้วยสา ม, มารถแห่งความสบายใจนั้นนะครับบทว่าขจฉะความว่าเข้าถึงด้วยสา ม, มารถแห่งการถือปฏิสนธิบทว่าเอวังวุเตความว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงท้อยคำที่เหล่าเทวดาเหล่านั้นจะพึ่งกล่าวแก่เทพบุตรนั้นโดยในเป็นต้นว่าท่านจากเทวโลกนี้แล้วจงไปสู่สุขติเถิดดังนี้นะครับนะผมว่าไงนะถ้าท่านจุติแล้วขอให้ไปสู่สุขตินะนะครับครั้นไปสู่สุขติแล้วขอจงได้ลาบที่ท่านได้ดีแล้วครั้นได้ลาบที่ได้ดีแล้วขอเป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยดี ทีนี้ก็ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งคือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่ปรากฏโดยนามและโคตนั่งอยู่ในบริษัทนั้นเป็นผู้ฉลาดในอนุสนธิจึงกราบทูลคำเมียที่ว่ากิงนุโขพันเตอะไรเนอแลพระพุทธเจ้าค่ะดังนี้ด้วยประสงค์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสุขคติเหล่านั้นไว้โดยไม่แปลกกันไม่แจ่มแจ้งเลยยากกันนั้นเลยเราจะให้พระองค์ตรัสสุขคติเป็นต้นเหล่านั้นให้ชัดเจนกว่านี้นะอยากรู้เอ๊สุขคติของเทวดานี่อะไร ความเป็นมนุษย์อันเทวดาทั้งหลายประสงค์ยิ่งนักโดยเป็นเหตุแห่งการได้เฉพาะซึ่งคุณพิเศษมีศรัทธาเป็นต้นนะครับคือถ้ามาเป็นมนุษย์นะนะศรัทธาศีล น, นะสุตะจ่าฆาปัญญาเป็นต้นจะหาได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งของการค้าบุญทั้งหลายเลยนะครับนะสนามค้าบุญทั้งหลายเนี่ยมนุษย์นะครับแตนะ่ในขณะเดียวกันลืมไปมาค้าบาปกันหนักแอรไปเลยนะครับนะ เพราะว่าเป็นเหตุแห่งการเข้าถึงความเทวดานะครับคือหมายความเป็นนานะเป็นนานะเป็นนาของเทวดาทั้งหลายก็อยู่ที่มนุษย์นั่นนะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนที่สุขความเป็นมนุษย์แลเป็นส่วนแห่งการได้สุขคติของเทวดาทั้งหลายบทว่าสุขคติมนานะสังขาต่างความว่าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วโดยชอบว่าไปสู่สุขคติอธิบายว่าทรงสรรเสริญคือทรงชมแล้ว บทว่ามนุษย์สภูโตวความว่าเกิดแล้วในมนุษย์ทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งได้แก่ถึงความเป็นมนุษย์เพราะเหตุที่ผู้เกิดในเทวโลกโดยมากยากที่จะได้ฟังธรรมเทศนาของพระตถาคตเจ้าไม่เหมือนมนุษย์ทั้งหลายนะครับเทวดานี่ยากนะจะได้ฟังธรรมนะครับเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ามนุษสภูโตดังนี้บทว่าตทาคตประเวที่เตธรรมวินยัยเยความว่า ในคําสอนที่สงเคราะห์ด้วยศีลสมาธิปัญญาคือไตรศิกขาที่พระตถาคตคือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วนะครับก็คืออยากจะให้ได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทนี้ขยายคําว่าธรรมวินยัยธรรมวินัยเนี่ยนะครับมีอธิบายไว้ประมาณ8ใน8ในนะครับคำว่าธรรมวินัยเนี่ยแค่ไหนครับ แต่ว่าธรรมวินัยที่จริงแล้วก็สงเคราะห์ด้วยสิกขาสามคือศีลสมาธิและปัญญานะครับวินัยก็เป็นศีลธรรมะก็เป็นสมาธิและปัญญานั่นแหละครับเพราะคําว่าคําสอนนั้นท่านเรียกว่าธรรมวินัยเพราะว่านะเพราะชื่อว่าธรรมะเหตุที่ไม่ไปปราศจากธรรมคือไม่ทิ้งธรรมเลยนะครับและชื่อว่าวินัยเพราะฝึกเวนัยสัตว์ตามสมควรแก่กิเลสนะครับตามสมควรแก่กิเลส กิเลสมากๆกกว่าปราชิกนะครับเอาระดับนั้นนะครับกิเลสน้อยๆหน่อยก็อบัดตรลดลงตามสมควรนะถ้าล่วงละเมิดออกมาอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าธรรมวินัยเพราะแนะนําผู้มีกําเนิดดีแห่งบุคคลผู้มีในตามีทุลีน้อยธรรมวินัยเนี่ยนะแนะนำคนมีกิเลสน้อยนะครับกิเลสนั้นห น, นานี่ทําไงได้แล้วก็ที่ชื่อว่าธรรมะเพราะไม่ไปปราศจากธรรมะที่เป็นเหตุ ไปด้วยอุปนิสัยหมายคําว่าคนที่จะได้รับธรรมะได้จะต้องมีอุปนิสัยเก่ามาก่อนนะครับจึงจะได้โลกุตระธรรมทั้งหลายเนี่ยนะนะครับอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าธรรมะวินัยเพราะฝึกด้วยธรรมะอย่างเดียวไม่ใช่ฝึกด้วยท่อนไม้และสาสตรานะครับคําสอนในศาสนานี่ไม่ได้ใช้ไม้ใช้ปืนเป็นต้นนะครับแต่ก็สมัยนี้กับครูบาอาจารย์ทั้หลายก็ใช้ไม่เรียวนั่นแหละไม่ใช้ไม่เรียวก็ไม่จบป ร, ริญญาครับยังไงได้ นะก็เป็นลักษณะนั้นไปแต่ว่าฝึกด้วยธรรมนะครับไม่ได้ฝึกด้วยท่อนไม้สาตราไรรอกอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าธรรมวินัยเพราะการฝึกนั้นประกอบด้วยธรรมคือฝึกไปด้วยธรรมนะท่านเรียกว่าธรรมวินัยเพราะนำเข้าไปหาธรรมะเพื่อมรักผลและนิพพานตามลำดับนะครับคือให้ค่อยๆเจริญขึ้นตามศีลสมาธิปัญญาวิมุตตเป็นต้นนั่นเอง อ, อ, อีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าธรรมวินัยเพราะเป็นเครื่องแนะนําที่เป็นไปแล้วโดยธรรมมีพระมหากรุณาและพระสัพพัญญุตยานเป็นต้นนะครับเป็นคําสอนที่นําไปโดยธรรมนะอาศัยพระมหากรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเรียกว่าธรรมวินัยพระวินัยนี้อาศัยพระมหากรุณานะครับพระธรรมนี้อาศัยพระปัญญาอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าธรรมวินัยเพราะพระธรรม เป็นเครื่องนําเข้าไปหาธรรมของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นองค์ธรรมเป็นธรรมกายเป็นธรรมมสวามีไม่ใช่นําเข้าไปหาธรรมของนักตักตะวิทยาทั้งหลายนะครับคือพอค์นี้เข้าถึงธรรมเหล่านั้นจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าคิดเอาเดาเอาไม่ใช่นะครับอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าธรรมวินยัยเพราะเป็นเครื่องแนะนาที่เป็นไปแล้วในธรรมคือมรรคผลหรือธรรมะ อันเป็นวิสัยที่จะพึงสําเร็จได้ในธรรมวินัยนั้นสรุปไร้หมายถึงธรรมวินัยได้แก่ศีลสมาธิปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระนะขอให้ขั้นตั้งมั่นแบบนั้นนะบทว่าสัตว์ทางปฏิลพติความว่ายังศรัทธาให้เกิดขึ้นโดยในเมียที่ว่าสวากขาโตพระวะตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วขอให้มีศรัทธาแบบนี้นะอธิบายว่าผู้มีศรัทธาเมื่อปฏิบัติในธรรมวินัยนี้ ตามที่ทรงสอนไว้ย่อมยังใจให้ยินดีในทิฏฐธรรมิกะถประโยชน์สัมปรายิกะถประโยชน์และประมาถประโยชน์นะครับให้มีศรัทธาในพระธรรมเหล่านี้นะซึ่งพระธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้ในประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและก็ประโยชน์อย่างยิ่งขอให้ท่านเข้าถึงธรรมะเหล่านั้นเหมือนกันในบทว่าสุลัตทะลาพระสังขารตาังนี้มีอธิบายว่าการใช้เงินทองนาและสวนเป็นต้น ย่อมนำความสุขในการใช้สอยมาให้สัพพสัตห้ามทุกมีความหิวและความระหายเป็นต้นบรรเทาความยากจนเงินทองเสียได้เป็นเหตุให้ได้รับรัตนะมีมุกดาเป็นต้นและนำมาซึ่งสันติในโลกมาให้ฉันใดันนะพูดถึงคนที่มีเงินมีทองในโลกเนี่ยนะเขาก็ได้รับความสุขแบบนั้นแหละ แม้ศรัทธาที่เป็นโลกิยะและโลกุตระก็ฉะ น, นั้นจะนำวิบากสุขที่เป็นโลกิยะโลกุตระมาให้ตามที่เกิดขึ้นจะหักห้ามทุกมีชาติชรามรณะเป็นต้นเสียได้จะระงับความยากจนคุณธรรมเสียได้จะเป็นเหตุให้ได้รับรัตนะมีสติสัมโพชงเป็นต้นได้และจะนำมาซึ่งสันติในโลกแก่เหล่าชนผู้ปฏิบัติด้วยศรัทธาธุระ สมดังที่พระองค์ตรัสไปว่าผู้มีศรัท ธ, ธาสมบูรณ์ด้วยศีลเอิบอิ่มด้วยยศและโะจะอยู่ในประเทศใดๆก็เป็นผู้ที่มีเขาบูชาแล้วในประเทศนั้นๆทีเดียวนะเพิ่งทราบความได้เฉพาะซึ่งศรัท ธ, ธาเป็นลาบอันบุคคลได้ดีแล้วดังพันนา ม, มาชนิเพราะฉะนั้นถ้าได้ลาบนี่ก็ได้ลาบคือศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาในาแตถาคตโพทิศ ธ, ธานะครับได้อ สวาขาโตนะครับคือมีศรัท ธ, ธาในพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปแล้วนะครับถ้ามีศรัท ธ, ธาเหล่านี้แล้วก็จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นต้นนะนะเพราะว่าศรัท ธ, ธานี้เป็นหัวหน้าเป็นบาตทฐานเป็นประธานแห่งโลกิยธรรมและโลกุตรธรรม เพราะว่าบุคคลผู้มีศรัทธาแล้วก็จะก่อให้เกิดความเพียรพยายามผู้ที่มีความเพียรพยายามทําให้สติตั้งมั่นผู้มีสติตั้งมั่นก็จะทําด้วยความไม่ฟุ้งซ่านและก็มีปัญญาอาศัยศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาพัฒนาเบื้องสูงก็เป็นโล ก, กุตตระธรรมก็บรรลุมรคผลได้ก็เพราะเหตุที่การได้เฉพาะซึ่งสถานีเป็นลาบที่ติดตามตนไปได้ไม่ทั่วไปแก่คนอื่นเป็นเหตุให้ได้สมบัติทุกอย่าง และเป็นเหตุแห่งการได้โลกีซัพย์มีเงินทองเป็นต้นศรัทธานี่นะครับเป็นเหตุของสมบัติทั่วไปนะเป็นของเฉพาะตัวจริงๆนะครับเป็นทซั์เฉพาะตัวนะออถ้าพูดว่าศรัทธาแล้วเนี่ยนะครับศรัทธานี่เป็นหนึ่งในอริยสัพจเจตประการคือศรัทธาสินนะศรัทธาศีลฮิริโอต ป, ปะสุตะจาฆะและปัญญานี่เป็นเป็นอริยสัพนะนี่ยกศรัทธามานะครับอริยสัพย์ที่เหลือเท่ากับแสดงหมดแล้วแต่ว่าเน้นที่ศรัทธาว่า ผู้มีศรัทธาเท่านั้นจะทําบุญมีฐานเป็นต้นได้แล้วจะประสบทรัพย์ที่เป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจอันมโหฬารและจะยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนั่นแหละให้ถึงพร้อมด้วยบุญนั้นแต่บุญเหล่านั้นจะไม่อํานวยประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแก่ผู้ไม่มีศรัทธาเลยนะครับคือบุญเนี่ยนะมันเกิดสําหรับคนมีศรัทธานะครับคนไม่มีศรัทธาจิตเข้าไม่เป็นบุญง่ายๆหรอก เพราะฉะนั้นเพื่อทราบว่าศรัทธาเป็นลาบที่ได้ด้วยดีด้วยประการดังพณ น, นามาชนิเพราะฉะนั้นลาบคือศรัทธาเนี่ยเป็นการได้ดีแล้วจริงๆนะครับถ้าใครมีศรัทธาเนี่ยชื่อว่าได้ลาบที่ดีแล้วหนอนะครับเป็นลาพานุตริยะคือลาบที่มีศรัทธาในคุณของพระธรรมคตเจ้าเป็นต้นนะครับในอนุตริยะ6นะครับชื่อว่าลาภานุตริยะนะครับจริงอย่างนั้นท่านพันานาสัตธาไว้ด้วยเหตุไม่ใช่น้อยในฐานะต่างๆกันว่า ศรัทธารวบรวมสเสบียงไว้บ้างนะคนมีศรัทธาเท่ากับเป็นคนที่รวบรวมสเสบียงสําหรับสังสารวัตรเลยนะศรัทธานี้เป็นเพื่อนที่สองของบุรุษบ้างนะเพื่อนแท้ที่ช่วยยามยากจริงๆก็คือศรัทธานะครับไม่ใช่ตันหานะตันหานี่มันเพื่อนเสเพลนะครับไม่ได้เรื่องศนระัทธานี้เป็นเครื่องปลื้มใจของบุรุษในโลกนี้นะครับถ้าใครมีศรัทธาในคุณของพระธถาคตเป็นต้นนี่จะได้ความปลื้มอกปลื้มใจ ช้างตัวประเสริฐมีศรัทธาเป็นงวงบ้างศรัทธาเป็นพืชเป็นตบะเป็นฝนบ้างดูกรพิสูจน์ทั้งหลายอริยาสาวกดำรงอยู่ในศรัทธาบ้างย่อมข้ามโอะด้วยศรัทธาบ้างนะครับจะข้ามกามโมคะเป็นต้นเนี่ยนะครับผลจากอบายทุคติวินิบาตก็อาศัยศรัทธานะครับเพราะฉะนั้นถ้าบารรลุมรรคผลก็เป็นศรัทธานุสารีนะครับ เราจะสามารถบรรลุมักผลด้ันศรัทธานี่ไม่ใช่ธรรมดานะแต่ก็พยายามตอกย้ำว่าตะถาคตโทธิศรัทธากับกรรมัศกตาศรัทธานะครับนี่เป็นโลกิยะนะถ้าโลกุตระก็เห็นพนิพพานนะครับบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัคํำเมียที่ว่าสาโคปนัสสะดังนี้เพื่อจะทรงแสดงถึงศรัทธาชนิดที่อย่างลงลึกอันเป็นเหตุให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ดารงมั่นในกุศลธรรมในพระาศาสนา นะครับเอาศรัทธาแค่ไหนล่ะโน่นศรัทธาระดับโสดาปฏิบัติโน่นแหละถามว่าก็อะไรเล่าชื่อว่าเป็นรากของศรัทธากเลยเออศรัทธาก็มีรากนะนะคือมีอาหารเหมือนกันเถอะถามว่าอะไรโยนิโสมนสิการการทําไว้ในใจโดยอุบายอันเป็นเหตุแห่งความเชื่อนะครับในวัตถุที่ควรเชื่อเป็นรากของศรัทธาถ้าจะว่าไปนะศรัทธาก็มีการฟังธรรมของสัตว์บุรุษเป็นต้นอะเป็นอาหารใช่ไหมครับ ถ้าเอาตามตันหาสูระวิชาสูตรนะแต่ทีนี้ก็โยนิโสเป็นเหตุแห่งกุศลไงครับนั่นศรัทธาเป็นปกับสุจริตเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีโยนิโสนั่นแหละเป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งเพิ่งทราบองค์แห่งโสดาปฏิมัติ4อย่างนะครับเป็นเหตุแห่งศรัทธาคือหนึ่งการคบหาสัตบุรุษเพราะว่าสัตทินรีนี่นะครับถามว่าเห็นได้ที่ไหนเห็นได้ในโสดาปฏิยังฆธรรม นะถ้าหากว่าเราจะถามว่าใครเป็นคนมีศรัทธาครับเอาโซตาปฏิัติยังฆ่าธรรมไปตรวจสอบวัดดูนะถ้าเขามีศรัทธาหนึ่งเขาจะคบหาสัตว์บุรุษ2องเขาจะฟังธรรมของสัตว์บุรุษสามเาจะมีโยนิโสมนัมสิการ4สี่เขาจะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะครับว่าเป็นรากของศรัทธานะครับศรัทธาที่นี้นี่นะครับหมายถึงศรัทธาที่เป็นโลกุตระนะอันศรัทธาที่เป็นโลกุตระนั้นจะต้องอาศัย การคบสัตบุรุษการฟังธรรมของท่านการโยนิโสมนัสิการและก็การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำนะครับอันนี้เป็นเป็นอาหารของศรัทธาที่เป็นโลกุตระนะครับเพราะว่าศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงที่มานพรมเป็นต้นจะทําให้คลาดเคลื่อนไม่ได้เนี่ยนะต้องศรัทธาระดับโสดาปฏิมักเพราะฉะนั้นโสดาปฏิมักจะต้องนี่นะครับองค์แห่งโสดาบันสี่ประการคือการคบสัตบุรุษการฟังธรรมของสัตบุรุษโยนิโสมนัสิการและ ธรร ม, มานุธรรมปฏิปฏิการปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตรธรรมนะครับบทว่าปฏิทิตาได้แก่อย่างลงแล้วโดยเป็นภาวะที่ใครๆให้วันไว้ไม่ได้เพราะบรรลุอริยมรรคนะศรัท ธ, ธาแน่นอนก็ต้องระดับนั้นบทว่าอาสังหาริยาความว่าเป็นสิ่งที่ใครๆไม่สามารถจะนำไปได้หรือให้หายไปหรือนาออกไปได้ เทวดาเหล่านั้นหวังจะให้เทพบุตรนั้นได้บรรลุโสดาปฏิพันธจึงกล่าวอย่างนี้ด้วยประการชนี้เออท่านไปเกิดเป็นมนุษย์ขอให้ท่านเป็นผู้มีศรัทธาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอ่ะนะแต่พูว่เพราะว่าเทวดาเหล่านั้นปรารถนาพระอริยบุคคลผู้สมควรแก่การเข้าไปเสวยกามมาสุขในเทวโลกของตนเท่านั้นเขาก็จะพูดแบบง่ายๆนะเออเขาก็อยากให้กลับมาหาเขาอีกนะด้วยเหตุนั้นเทวดาจึงกล่าวว่าดูก่อนเทพท่านจงมาบ่อยๆนะ ไปเป็นพระโสดาบันนะถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วจะกลับมาที่นี่ได้ถ้าเป็นผ่านนาคามีไม่มาแล้ยนะครับเลยไปอีกนะครับเพราะยังไงก็กลับมาที่นี่อีกนะนะครับกลับมาบ้านเก่าเรานะของเรานี่ตอนก่อนนี่เทวดาเขาสั่งเสียกันหรือเปล่าไม่รู้ใช้ไม่ได้มีญาติอยู่ทางโน้นหรือเปล่าไม่ทราบ ก, ก็เหมือนเวลาคนจะตายอะเราก็จะไป เอ้ยไม่ใช่คนที่ตายแล้วเราจะไปจุดทูปจุดเตียนบอกว่าไปสู่สุขติไปดีนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับไม่ได้บอกก่อนจะตายนะตายไปแล้ว ไ, ไปแล้วอ่ะไปบอกศพ บ, บอกซากนะครับทำอะไรได้เหมือนกับไปบอกท่อนไม้ท่อนฟืนเนี่ยนะสมมตินะสมมติถ้าสา น, นวนว่าโอเขาถอดเสื้อทิ้งไว้ไปจุดทูปบอกเสื้อนะขอให้เจ้าของเสื้อไปดีมีสุขนะแต่มันก็เป็นปีย่าวาจาใช่ไหมครับก็ไปคุยกับท่อนไม้นะครับข พุทธพจน์ตั้งเยอะแยะไปเลแต่อ่านพุทธพจน์แทนเถอะว่าเนเข่าลงบอกเรียกมากินข้าวอย่างเงี้ยนะครับว้าเขอาท่อนไม้มากินข้าวนะครับครับสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมแต่นี้หมายถึงว่าคนที่มีบุญมาดีแล้วนะครับก็เหมือนกับคนมีทรัพย์อนะก็เหมือนการแนะนําให้ใช้ทรัพย์นั่นแหละครับเทวดาทั้งหลายเป็นเรื่องของคนมีบุญอยู่แล้วนะคนบาปคนพานทั้งหลายพวกสัตว์อบายไม่พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นไม่พูดถึงอบายสักอย่างเลยนะครับ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 ท่านเป็นมนุษย์แล้วจงได้ศรัทธาอย่างยิ่งในพระสัทธรรมศรัทธาของท่านนั้นพึงเป็นคุณชาติตั้งลงมีมูลเกิดแล้วมั่นคงในพระศัทธรรมที่พระตถาคตประกาศดีแล้วอันใครใๆพึงนำไปไม่ได้ตลอดชีวิตเหมงอนกันเถอะขอให้เป็นพระโสดาบันนะเหมือนกันแล้วท่านจงละกายะทุจริตความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาและคิดชั่วทางใจอย่ากระทำบาปประกรรมอย่างอื่นที่ประกอบด้วยโทษนะครับ กระทำกุศลด้วยกายด้วยวาจาให้มากกระทำกุศลด้วยใจหาประมาณไม่ได้นะครับแต่นั้นท่านจงกระทําบุญอันให้เกิดสมบัตินะครับนั้นให้มากด้วยทานแล้วยังสัตว์เราเอื่นให้ตั้งอยู่ในพระสัตธรรมในพรหมจรรย์เมื่อใดเทวดาเพึงรู้แจ้ง ซึ่งเทวดาผู้จะจุติเมื่อนั้นจะพลอยยินดีด้วยความอนุเคราะห์อย่างนี้ว่าแนเทวดาท่านจงมาบ่อยๆนะครับเรียกกลับมาคืนนะครับตายแล้วกลับมาอีกนะนะครับก็เพราะเหตุที่เทวดาเหล่านั้นไม่ปราถนา ม, มหักตะกุศลเพราะ ยังไม่อยากพ้นไปจากกรรมมาโลกนะครับยังติดใจในแฟนสาวเป็นต้นเนี่ยนะก็เอออย่าไปแล้วอยู่นี่แหละเหมือนกันย่อมปราถนาเฉพาะบุญที่เป็นกรรมมาวาจร อ, อย่างเดียวเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้พึงทราบความอย่างนี้ว่าท่านจุติจากเทวโลกนี้แล้วไปเกิดในมนุษย์รู้เดียงสาแล้วนะก่อละความชั่วทางกาย นะครับละความชั่วทั้งหลายมีความชั่วตทางกายเป็นต้นสะสมความดีทั้งหลายมีความดีทางกายเป็นต้นให้อุลันทาก็ทําให้มันเยอะๆว่า ง, งั้นให้ไพบูนแล้วจงเป็นผู้มีศรัทธาที่มาแล้วด้วยอริยมรรคนะครับก็เพราะเหตุที่เทวดาเหล่านั้นยังปรารถนาปฐมมรรคบ้างทุติยมรรคบ้างในโล ก, กุตรธรรมทั้งหลายเพราะเหตุที่ตนยังล่วงการเกิดในเทวโลกไม่ได้ยังไงยังไงก็ให้โสดาบันก็ยังดีว่า ง, งั้นเถอะ สวดาหรือสกท า, าก็ได้จะกลับมาที่นี่ไม่เหมือนกันฉะนั้นเพิงทราบความแห่งบททั้งหลายว่าอับประมาณนังนิรูประทิงด้วยสา ม, มารถแม้แห่งกุศลเหล่านั้นว่ากุศลชื่อว่าหาประมาณไม่ได้เพราะเข้าไปตัดกิเลส ท, ทั้งหลายมีการมาราคะอย่างหยาบที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันในฐานะเป็นศัตรูเป็นต้นอันกระทําซึ่งประมาณอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าหาอุปธิไม่ได้เพราะละขันทูปทิที่ควรแก่การเกิดขึ้นจากภพที่เจ็ด และอะพิสังขารูปะิที่เกิดแต่ขันธูปฏินั้นทั้งกิเลสูปฏิอันมักนั้ น, น, นพึงฆ่าเพราะอาศัยพระนิพพานกล่าวคือธรรมชาติที่ไม่มีอุปธิเหตุที่อุปธิเหล่านั้นเกิดขึ้นไม่ได้คืออธิบายว่าถ้าโสดาปฏิมาเกิดขึ้นนะครับก็จะทําลายภพที่แปดไปจะไม่มาเป็นมนุษย์เกินแจ็ชาติแน่นอน นะครับแล้วก็กิเลสูปะที่คือสากายาที่ทีวิจิกิจชาสศีละพระตะปรามาสโลพาโทสะโมหะที่เป็นเหตุให้ไปตกนรกพระโสดาบันเนี่ยละหมดเกลี้ยงนะครับลักษณะนั้นแม้กิเลสที่เป็นเหตุให้ผิดศีลหเป็นต้นพระโสดาบันก็นละได้เด็ดขาดเป็นสมุดเช ท, ทปพทหารหมดนะครับพระผู้มีพระภาคจเจ้าครั้นทรงแสดงกรรมที่ปิดประตูอบายไว้โดยส่วนอย่างเดียวอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะแสดงกรรมที่จะให้เกิดในสวรรค์สมบัติจึงตรัสคําเมียที่ว่าตะโต โอปธิกังดังนี้ในบรรณาบทเหล่านั้นบทว่าโอปธิกังได้แก่ผลผลเป็นอุปธิอธิบายว่าให้เกิดสมบัติคืออัตภาพและโภคสมบัติอัตภาพท่านก็เรียกว่าอุปธินะครับนะร่างกายนี่ก็เรียกอุปธิเหมือนกันนะครับคําว่าอุปธิก็คือทรงไว้ซึ่งทุกใช่ัยดังที่ตรัสไว้ว่ า, วามีอยู่กรรมสมทานที่เป็นบาป บ, บางอย่างที่ขัดขวางอุปธิสมบัติยังไม่ให้ผลดังนี้แม้กรรมคุณก็เรียกว่าอุปธินะครับ เพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยได้แก่อัตภาพและพวกสมบัตินะครับชื่อว่าอุปธิในบทว่าอุปธีหินรัโจโสจันังนี้มีอัตพจนดังต่อไปนี้อัตภาพและกรรมคุณชื่อว่าอุปธิเพราะเป็นที่อันสต์ทั้งหลายทรงไว้ซึ่งสุขทุกบุคคลชื่อว่าโอปธิกะเพราะมีอุปธิเป็นเหตุเป็นปกติหรือควรซึ่งอุปธิกระทําบุญนั้นให้มากคือให้โอลาน ถามว่าทําอย่างไรตอบว่าแต่ทำด้วยฐานเพราะว่าทานคนนอกนี้ทําได้ง่ายเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวอย่างนี้นะครับด้วยบทว่าทานเนณะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัดไม้เอาอาภัยฐานด้วยไม่ใช่ตรัสอามิสฐานเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านสงเคราะห์ศีลเอาไว้ด้วยนะครับก็เพราะเหตุที่เหล่าเทวดานั้นนะครับปรารบ ความเสื่อมแก่กายอสูนและความบริบูรณ์แห่งกายเทพโดยส่วนเดียวเท่านั้นฉะนั้นเมื่อจะทรงแสดงอุบายแก่เท พ, พบุตรนั้นจึงประกอบเท พ, พบุตรไว้ในธรรมทานนะอย่างนี้ยังไ ง, ง, ไงก็ไปช่วยสงเคราะห์คนอื่นเขาบ้างนะฝั่งนั้นเถอะโดยบทว่าอันเยปิมัตเจสัตธรรมเมบ ร, รัมจริเยนิเวสยะอย่างสัตว์เหล่าอื่นให้ตั้งอยู่ในพระสัตธรรมที่เป็นพรหมจรรย์นะครับก็คือแบบบอกกล่าวแนะนําคนอื่นบ้างนะ บทว่ายะถาวิทูความว่าเวลาใดเทวดาทั้งหลายพึงรู้คือพึงทราบเทวดาผู้จะจุติเวลานั้นเทวดาทั้งหลายจะอนุโมทนาด้วยความอนุเคราะห์คือความเป็นผู้ใคร่เพื่อบำบัดทุกข์ตามที่กล่าวแล้วว่าดูก่อนเทพจงมาคือจงกลับมาสู่เทวะกายนี้บ่อยๆนะครับเหมือนเรามีลูกมีล้านไปกรุงเทพนะไปก็กลับมานะไปหาเงินหาทองนะอย่างนั้นนะ นะครับก็สั่งเสียเบ็ดเสร็จหมดนะครับวันนี้ก็ใช้เวลาเท่านี้กัน